นั้นตันหาเนี่ยนะเมือ่อเมื่ออริยมรตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะสํารอกไอตันหาอันนี้ได้เด็ดขาดเนี่ยนะก็กายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออกแล้วยินดียิ่งในเนคขมะเนี่ยนะก็คือยินดีในปฐมฌานยินดีในทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเนี่ยจึงจะเรียกว่าผู้ที่มีกายวิเวกคือยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายยินดีในอ ธ, นธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนาี่ยนะ ส่วนจิตวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยวิขำพนะประหารถึงความเป็นผู้ของแผ่วอย่างยิ่งอันนี้ก็สมุดเฉ ท, ทปประหารท่นจิตวิเวกเนี่ยนะมีสำหรับผู้ที่ได้ฌานสมาบัติทั้งรูปฌานอรูปฌานอันนี้เป็นวิขมพนะประหารผู้ที่ได้อริยมรต ก, ก็เป็นสมุดเฉ ท, ทประหารส่วนอุปธิวิเวกก็มีแก่บุคคลผู้หมดอุปทิซึ่งถึงนิพพานอันเป็นวิสังขาร นิพานเนี่ยนะชื่อว่าวิสังขารเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีสังขารอยู่เลยไม่มีสังขารคือรูปนามขันท่าประกอบเกิดร่วมด้วยไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวอันผู้ที่มีนิพานเป็นอารมณ์นะั่นแหละเรียกว่าอุปทิวิเวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวิเวกแบ่งออกเป็น3ใช่ไหมคือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปทิวิเวกคําว่ากายจากวิเวกนะพูดถึงปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะปุตตชนที่ติดข้องอยู่ในร่างกายเนี่ย กิเลสก็ท่วมทับครอบงำย่ยํายีตั้งอยู่ด้วยอํานาจกิเลสหลงในการมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเนี่ยพวกนี้ห่างวิเวกสาทั้งนั้นน ะ, นนะห่างกายวิเวกใช่ไหมห่างจิตวิเวกห่างอุปธิวิเวกที่ว่าอา้าแล้ ว, ลวอยู่คนเดียวทํางานคนเดียวเนี่ยกายวิเวกหรือเปล่าไม่หรอกพรมคิดถึงแต่คนอื่นอยู่ด้วยนะทำไปคิดไปทําไปคิดไปพวกนี้ไม่วิเวกหรอกอ น, นะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ยังชื่อไม่ชื่อว่ากายวิเวกจริงๆ ถ้ายังเข้าฌานไม่ได้เป็นต้นก็ยังไม่ได้จิตตวิเวกยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่ายังไม่ได้อุปธทีวิเวกพันพวกที่ติดในร่างกายกิเลสครอบงําย่ํายีปิดบังเนี่ยนะพวกเนี้ยหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเนี่ยห่างจากวิเวกสามทั้งนั้นนะพันคำว่าไกลจากวิเวกก็คือผู้ที่ติดข้องอยู่ในถ้าคือกายอย่างนี้อันกิเลสเป็นอันมากปิดบังไว้อย่างนี้ยังลงในที่หลงคือกรรมคุณห้า นราชนนั้นย่อมอยู่ไกลแม้จากกายวิเวกย่อมอยู่ไกลแม้จากจิตวิเวกย่อมอยู่ไกลแม้จากอุปทิวเวกคืออยู่ในที่ห่างไกลแสนไกลไม่ใช่ใกล้เลยนะห่างมากกว่างั้นเถอะมิใช่ใกล้ชิดไม่ใช่ใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงเลยนะโอ้บอกว่าห่างมากๆเลยนะห่างห่างการอยู่คนเดียวอะ่ะ ถึงจะไปอยู่คนเดียวก็เพื่อจะอ่าคำว่าเดินทางคนเดียวก็เพื่อไปหาอีกคนหนึ่งะนะโดยทั่วๆไปสัตว์เป็นอย่างนั้นแหลน่นนะคำว่าอย่างนั้นก็คือผู้อย่างลงในที่ลงชนิดนั้นน่ะเช่นนั้นดํารงอยู่อย่างนั้นแบบนั้นเหมือนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนเช่นนั้นน่ะผู้อยู่ไกลาจากกายอ่าจากวิเวกสามนะถามว่าใครม้างอะ่ะไกลจะอ่าใครมั่งไกลจะอ่าใกล้วิเวกบ้างเอาหายากเต็มทีนะ พูดถึงเฉพาะคนที่เรารู้จักทุกวันอย่างนี้นะที่ที่เรารู้เราเห็นเราได้ยินเนี่ยนะโดยมากเป็นผู้อยู่กับอยู่ด้วยการคลุกคลีเนี่ยนะคลุกคลีด้วยการเห็นบ้างคลุกคลีด้วยการฟังบ้างคลุกคลีด้วยการคิดถึงบ้างเนี่ยนะมันไม่ค่อยวิเวกสักเท่าไหร่นะั่นพวกไม่วิเวกหรอกกัางวันคุยกันเสียงดังลั่นหันเล ย, อ, ยอ๋อถ้าอยู่บ้านเลยวิเวกหรือเปล่า ทางเจสซ้อนอาจจะวิเวก น, นะก็จริงๆอะนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าทำไมเขาจึงไม่ได้วิเวกแบบนั้นทำไมเขาจึงไม่ได้กายวิเวกจิตวิเวกอุปเิวิเวกพระองค์ก็บอกว่ากามทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอนรชนเหล่านั้นละได้ง่ายนะเรื่องกามไม่ใช่ละง่ายนะที่เขาไม่ได้วิเวกสามก็เพราะเขา เข้าละกามไม่ได้ง่ายหรือกามเนี่ยละไม่ได้ง่ายไอ้คําว่ากามเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมคือวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยนะวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอันน่าชอบใจเนี่ยนะของที่เราชอบใจทั้งหลายแหละเนี่ยนะเครื่องลาดพวกเครื่องนุ่งหม่มทั้งหลายเนี่ยที่ชอบใจพวกข้าทาสกรรมกรทาสหญิงท้าชาย น, นะคนงานทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชอบใจ หรือแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลารวมถึงหมาด้วยนะคนทุกวันก็ชอบหมาเลี้ยงม้ากันเนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่าวัตถุกรรมเหมือนกันขนาดจากบ้านจากช่องบางคนคิดถึงแต่หมาไปไหนไม่ได้ก็คิดถึงแต่หมานั่นแหละไปไหนก็เอาหมาไปด้วยไปฟังธรรมก็เอาหมาไปด้วยนะติดข้องในเรื่องห ม, มามาก น, นะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนก็บอกว่าถ้าเขาตายเนะี่ยเขาคงไปเกิดอยู่ในท้องหมาตัวนั้นแหละก็ติดพันขนาดนั้นโอ้อะไรจะปานนั้น <c oughs> ติดข้องเอามากเลยนะบางคนหมาตายร้องให้มากเลยนะบางพวกก็ติดในที่นาที่ดินเนี่นะติดในที่ดินเนี่ยติดข้องมากเนี่ยนะพวกก็ติดในเงินในทองอ่ะนะคนเนี่ยโอ้เอาเงินเนี่ยมาปูโปรยเล่นปูดูอยู่ในเงินอ่ะนะมีความสุขกับเงินมากเลยนะมีก็โยนเงินโชว์เงินเล่นเงินอ่ะนะ มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึง่งเป็นแบบนั้นจริงๆนะมีเงินเขามีอยู่แสนหนึ่งนะเขาก็ไม่เอาไปฝากไปอะไรหรอกอโปรยเล่นชูเล่นมีความสุขขอจูบนอนปูนเงินมาปูนอ น, นเขาอยู่อย่างนั้นของเขาเ น, นะ่ยเขมีความสุขติดข้องขนาดนั้นนะนะคําว่าเงินทองก็รวมถึงเพชรพลอยด้วยนะบางพวกกับเพชรพลอยดูแล้ ว, ด, ลวดูอีกส่องแล้วส่องอีกเนะี่ยนะดูอยู่นั่นแหละมีความสุขมากอนะแต่ตายตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรเนาะ บางพวกก็ติดในบ้านในนิคมเี่ยนะบางพวกก็ติดในบ้านนี่ติดจริงๆเลยนะไปไหนก็ไม่ยอมไปแต่งบ้านอยู่ทั้งปีนัน่นแหละตัดกวาดเช็ดทูเช็ดล่างตัดกวาดเช็ดถูเช็ดล่างมันดูอยู่นั่นแหละนะแต่งบ้านอยู่กับบ้านข้องอยู่กับบ้านอยู่นั่นแหละบางพวกก็ติดในนิคมราชธานีแว่นแคว้นชนบทบางพวกก็ติดในกองพลกองทัพเลยนะบางพวกก็ติดในคลังหรือว่าในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหน ita, ัดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวัตถุการม สิ่งที่เราชอบใจทั้งหลายอ่ะนะมันจะเป็นอะไรเขาช่างเถอะนั่นนะทีหรืออย่างหนึ่งกามที่เป็นอดีตนั น, นะนึกถึงชีวิตในอดีตที่ตัวเองเคยมีเคยได้เคยเห็นเนี่ยนะหรือที่เป็นอนาคตที่ตัวเองมุ่งหวังต้องการจะได้หรือที่กําลังเป็นปัจจุบันอยู่ตอนนี้ยกามพวกนั้นทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่ทั้งภายในและภายนอกกามไม่ว่าอย่างเลวอย่างกลางอย่างประนีตหรือว่าของสัตว์ผู้เกิดในอบายของมนุษย์หรือของทิพย์เนี่ย น, นะ หรือว่าการที่ปรากฏเฉพาะหน้าผู้อื่นเขาเ น, นรมิตเอาเองหรือผู้อื่นเขาเนรมิตให้การที่เขาหวงแหนหรือที่ไม่หวงแหนที่ยึดถือว่าของเราที่ไม่ยึดถือว่าของเราหรือแม้กระทั่งกามาวจรทมทั้งหมดรูปาวจรรมทั้งหมดอารูปาวจรรมทั้งหมดทมที่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาที่เป็นอารมณ์ของตันหาเนี่ยชื่อว่ากามหมายถึงวัตถุกามเนี่ยนะ เพราะหมายถึงอันบุคคลพึงไครท่ที่ที่บุคคลเข้าไปชอบอ น, นะคือสถานอ่สิ่งที่น่าชอบใจอ่ะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุ ก, กามน่ น, นะสิ่งที่น่าพอใจทั้งหลายเนี่ย น, นะ ส่วนกิเลสกรรมเป็นไนก็คือความพอใจความกำหนัดความดำ่เรือนะคือคิดถึงอนะความกำหนัดมากความดำ่เริและความกำหนัดความพอใจคือความคร่ความกำหนัดคือความใคร่ความเพลิดเพลินคือความคร่ในวัตถุกรรมทั้งหลาย ตัวตันหาที่ไปคิดถึงวัตถุกรรมเนี่ยนะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมะคิดถึงธาตุคิดถึงกรรมกรคิดถึงแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีชนบทกองพลรบกองพลราบนะพวกเรือนคลังหรือวัตถุที่ตัวเองชอบใจคิดถึงกรรมที่เป็นอดีตคิดถึงกรรมที่เป็นอนาคตคิดถึงกามที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไอ้ตันหาอันนี้แหละเรียกว่ากิเลสกรรมที่ไปคิดถึงเนี่ยนะ การที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกนานอกามอายอ่างเลวอย่างกลางอย่างประนิตการของสัตว์ในอบายของมนุษย์ของทิพที่เกิดเฉพาะหน้าเนรมิตรเองผู้อื่นเนรมิตรทั้งที่ตัวเองห่วงแหนไม่ห่วงแหนเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าตันหาที่ไปพอใจเรียกว่ากิเลสกรรมใ น, นความกำหนัดความเพลิดเพลิพลนความไข่ความปรารถนาะความเสเนหาความเร่าร้อนความหลงไหลความติดใจห่วงคือกรรมความประกอบคือกรรมความยึดถือคือกรรม นะก็คือโอคะกามโมคะกามโยคะเนี่ยนะกามุปาทานกามฉันทะพวกนี้เป็นกิเลสกรรมดูก่อนกามเราได้เห็นรากฐานของเจ้าแล้วเจ้าเกิดเพราะความดําริเกิดเพราะคิดอ่ะนะเพราะวิตกอะ่ะเพราะตรึกนั่นแหละถ้าไม่ตรึกกามไม่เกิดหรอกนะแต่ตรึกถึงสิ่งที่ตัวเองพอใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจักไม่ดํารดิถึงเจ้าเจ้าจากักยังไม่มีนะ กิเลสกรมมันจะมีได้เพราะวิตกเนี่ยมันพาไปพาไปคิดเรื่องรวบสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเนี่ยนะที่กล่าวไปนี้เรียกว่ากิเลสกรรม น, นะโดยกิจนะวัตถุกรรมนี่ต้องทําปริญญาคือยาตะปริญญากับติรณปริญญาส่วนกิเลสกามก็ปะหานะปริญญาคําว่าในโลกคือในอบายมนุษย์เทวโลกเนี่ยนะอันนี้เราพูดโดยโอกาสนะของอบายก็คือ นรกเปรตอสุรกายเดรชานนั่นแหละของมนุษย์เทวดาก็รวมทั้งพรหมด้วยแต่ทั้งอบายมนุษย์เทวดาเหล่านั้นก็แบ่งถ้าจำเนกโดยนิสะตะเป็นต้นแล้วก็คือขันไอาธาต์อายตนะนะถ้ามีแก่แกงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจักขู่ท่ารูปธาตุเป็นต้นหรือก็คือจักควายยตนะรูปลายตนะพันทั้งหมดก็คือขันอายตนะธาตุาคาว่ากามทั้งหลายในโลก ไม่เป็นของอันนรชนละได้งนะ่ายไม่ใช่เขาจะละเรื่องกามได้ง yeah. e. ่ายๆนะถ้าถ้าสมมติเห็นใครแปบเนี่ยคนนี้ไม่ใช่จะละกามได้ง่ายๆนะใครก็ช่างเถอะที่เรารู้จักรู้เห็นเนี่ยเขาไม่ใช่จะละกามได้โดยง่ายก็กามทั้งหลายในโลกเป็นของอันนรชนละได้โดยยากสละได้โดยยากสลัดได้โดยยากย่ำยีได้ยากแวกออกได้ยากข้ามได้ยากพ้นได้ยากก้าวล่วงได้ยากข้ามพ้นได้ยาก เขาบอกว่ากามเนี่ยที่เขาจะย่ำยีกิเลสกามที่เกิดในใจของเขายากเหมือนกับอสารพิษที่มีพิษร้ายแวกออกได้ยากเหมือนกับแวกออกจากบ่วงได้ยากเหมือนกันข้ามได้ยากพ้นได้ยากก็เหมือนกับว่าพ้นทางกันดานได้ยากล่วงได้ยากก็คือเหมือนกับว่าดุดดงเสือโคร่งเนี่ยนะข้ามไปยากเหลือเกินหรือว่าพ้นได้ยากเหมือนกับคลื่นในทะเลเนี่ยนะแวกไม่รู้จะว่ายข้ามคลื่นไปได้ยังไง อันนี้ยข้ามยากอ่ะเนะี่ยข้ามยากจริงลองไปชวนใครมาบวช ด, ดูเหอะหายากเนี่นะชวนออกจากกามจริงๆนะียหายากมากเนี่ยนะชวนออกจากวัตถุ ก, กามก็ายากชวนออกจากกิเลสกามยากกว่านั้นอีกเนี่นะชวนออกจากวัตถุ ก, กามง่ายก็คือออกมาบวชชวนออกจากกิเลสกามดูสิชวนให้ให้ได้ปฐมฌานทุติยฌา น, นยังไม่ใช่ง่ายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยโลกทั้งเทวโลกเป็นต้นไม่ใช่จะละได้ง่าย ว่าโดยสรุปในคาถาแรกก็คือนอรชนผู้ค่องอยู่ในถ้าคือกายเป็นผู้ถูกกิเลสมากมายเนี่ยปิดบังแล้วนรชนเมื่อตั้งอยู่ด้วยอานาจกิเลสเนี่ยนะก็ยังลงในที่หลงคือกามคุณ5นรชนเหล่านั้นย่อมไกลาจากวิเวกสามก็เพราะกามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของอั น, นอรชนเหล่านั้นละได้โดยง่ายเนี่ยนะอันสรุปที่กล่าวไปทั้งหมดก็คือการประกาศ สมุทัยศัตว์นี่เองเนี่ย น, นะประกาศอัดสาธะว่าความน่าคล้องความน่าเพลดิดเพลินอนะนความน่ายินดีของกามทั้งหลายในโลกเนี่ย น, นะเขาก็ติดเขาก็คล้องกันอย่างนี้แหละเนี่ยนะวันพระพุทธเจ้าแรกแตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จึง ปารบว่าหูหมูสัตว์นี้เป็นผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเนี่ยถ้าเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทหรือประกาศอริยสัจให้เขาฟังเนี่ยเขาจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าเขาฟังไม่ได้เนี่ยโอ้เหนื่อยเราเปล่าใช่ไหมไปพูดในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ปารอบอ่ะนะว่าแสดงว่าโหมูสัตว์นี่ติดมากข้องมากเพลิดเพลินมากเนี่ยนะ เพลิดในอาหารก็ลองสังเกตดูชวนให้รักษาศีนแปดูสิไม่ง่ายใช่ไหมเพลิดในเครื่องแต่งตัวก็ชวนให้รักษาศีนแปดูก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยนี่เป็นความเพลิดเพลินในวัตถุเหล่านั้นละยากมากทีนี้พอคาถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นผู้ติดพันด้วยความเช่มชื่นในภพเพราะเหตุแห่งความปรารถนาหรือเพราะความปรารถนาเนี่ยเป็นเหตุมุ่งหวังอยู่ข้างหลังบ้าง ข้างหน้าบัางปรารถนาอยู่ซึ่งกามเหล่านี้หรือกามที่มีอยู่ในก่อนเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและไม่ยังผู้อื่นให้หลุดพ้นนะคือเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยเขาติดพันมากในในภพอ่ะนะติดพันในร่างกายติดพันในในความสุขเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาปรารถนาอย่างนี้มาเขาปราถนารูปปรารถนาเสียงปราถนากล่นปรารถนารถปรารถนาว่าถูกกามฉะนั้นเขาจึง มุ่งหวังอนาคตต่อไปว่าอนาค ต, ต, ออาตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาวางแผนยินดีเพลิดเพลินติดข้องในขันห้าอย่างนั้นอย่างนั้นนะอนาคตต่อไปต้องอย่างนั้นต้องเจริญอย่างนั้นอย่างนั้นเนะี่ยบางทีก็ปรารถนาข้างหน้าที่ถึงอดีตที่มันเคยสุขเคยสมหวังเคยหวานชื่นเนี่ยนะหรือเพลิดเพลินติดข้องในปัจจุบันนะรสรุปว่าทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นรูปตัวเขาเองเนี่ยหลุดพ้นยากมาก ที่จะตัดตันหาตัดราคะตัดทุจริตตัดบาปตัดอกุศลตัดกิเลสออกเนี่ยนะ mm hmm. ยากมาก